เทศในที่ประชุมสูงวันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยห้าณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีผู้จะได้กำลังทางด้านจิตใจหรือได้คติเครื่องเกินใจของตน จะได้ในเวลาอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์และออกหาความสงัดวิเวกในที่แห่งใดแห่งหนึง่งเป็นเวลาชั่วคราวแล้วเข้ามาสู่วงครูบาอาจารย์เพื่อการศึกษาพอได้อุบาแลแล้วก็ออกหาที่สงัดวิเวกเมื่อเกิดข้อข้องใจธรรมส่วนใดขึ้นมาก็รีบเข้าไปศึกษาจากท่าน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 พึงเป็นผู้มีกติคอยสำเหนียบเสมอทั้งทางตาที่จะคอยสอดสองมองดูอากับวิเดียาการกระทาของท่านและหมู่เพื่อนด้วยความสนใจจริงจทางหูก็พยายามศึกษาเพื่อความเข้าอกเข้าใจจากท่านและหมู่คณะพอที่จะเป็นคติสอนใจได้มีความพยายามปักไฟอยู่เช่นนี้ชื่อว่าผู้มาศึกษา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 เียหายไปด้วยเท่านั้นฉะนั้นขอให้เราทุกท่านโปรดจำไว้ผู้ที่ ม, มุ่งมาศึกษาจริงๆท่านพูดอะไรหรือเห็นกิยามายาสส่วนใดที่ท่านแสดงออกมาต้องเข้าถึงจิตยืดไว้เป็นหลักฐานทันทีไม่ยอมให้ผ่านไปเปล่าๆนี่ชื่อว่าผู้มาศึกษาเพืมุ่งประโยชน์แท้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 เมื่อไปถึงสถานที่อยู่ของท่านแล้วไม่คํหนึ่งถึงนิสัยของท่านให้สมเจตนาที่มุ่งไปเพราะได้ยิงเสียงเสียบ้างเล็กน้อยหนึ่งตั้งความสำคัญขึ้นในใจตนเองว่าท่านโกรธให้บ้างสองว่าท่านเป็นครั้งแห่งกิเรสบ้างสามเกิดความกลัวในท่านบ้างสี่ ว่าท่านไม่นา่าร่วมสเพราะความเข้าใจว่าท่านเป็นครางแห่งวิริตบ้างแล้วก็เห็นนี้ไปเพราะความโง่แคล้วเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเมื่อไปแล้วแทนที่จะพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นเลยกลายเป็นเรื่องแหวกแนวไปเสียความจริงถ้าลงได้เชื่อว่าท่านเป็นธรรมจริงแล้วเราไม่ต้องไปสนใจในคำพูดจาเสียงหนักเสียงเบา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 เพราะฝ่าร้องบนอากาศยังมีเสียงดังมากยิ่งกว่าเสียงครูบาอาจารย์เป็นไหนๆแต่เวลาฝนตกลงมาทำไมจรื่เย็นเล่านี่เรื่องของครูบาอาจารย์ท่านต้องมีความฉลาดในอุบายต่างๆที่จะมาแนะนำสั่งสอนบรรดาลูกจิแต่ละลายละลา ย, ลายมาให้ซ้ากันเพราะนิสัยของผู้มาศึกษามีจำนวนมากและต่างๆกันถ้าท่านจะวางมารยาทคาพูด ทำจาโดยทางเดียวแล้ว้ายผู้มาศึกษาด้วยความตั้งใจเพื่อรับประโยชน์จากท่านก็ไม่เห็นจะได้ความเชื่อเยอะฉลาดเท่าที่กวดเนื่องจากครูบาอาจารย์ไม่มีความฉล า, าดสามารถจะแนะนำบรรดาศิต์ทั้งหลายให้ตรงกับจดิตนิสัยของจิตนั้ น, น, นๆเ<ๆ>ช่นเดียวกับนายแพทย์ผู้ไม่สล า, าดสามารถจะยังโรคที่มีอาการต่างๆ ห, หายได้ด้วยยาเพียงแต่ทราบว่าโรค เท่านั้นไม่สามารถจะทราบว่าเป็นโรคประเภทใดเพราะโรคที่เกิดในสัตว์และบุคคลมีจำนวนมากมายจนไม่สามารถจะนับอ่านได้ยาจึงต้องมีหลายขนั้นสำหรับนายแพทย์ผู้ชราที่จะนํามารักษาโรคนั้นๆใครเป็นโรคอะไรก็ตามมาหาแพทย์แพทย์ก็นายาขั้นหนเดียวเท่านั้นไปรักษาแล้วยาจะทันกับโรคได้อย่างไร ถ้าเป็นโรคที่ควรรับยานั้นอยู่บ้างยาก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเป็นโรคประเภทอื่นที่ไม่เกี่ยวกับยาขนาด น, นั้นแล้วยาขนาด น, นั้นก็ไม่ผิดอะไรกับน้ำธรร ม, รารรมดาหรือวัตถุธรรมดาถ้าเป็นนายแพทย์ผู้ชราเมื่อคนไข้เขาไปหาต้องถามว่าท่านมีอาการอย่างไรตลอดสมุิฐานของโรคว่าเป็นมาอย่างไร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 ร่ำทางนำยามารักษาคนไข้นั้นๆให้หายไปได้นี่ลักษณะของในแพทย์ผู้ฉลาดต้องถามอาการของโรคให้ชัดเจนแล้วก็นำยามารักษาให้ถูกต้องกับโรคนั้นๆโรคต้องเบาลงหรือหายไปได้ก็ฉะนั้นผู้เชี่ยรักษาคนไข้ต้องผ่านทางการแพทย์มาก่อนไม่มากก็น้อยดีกว่า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 รู้สูงต่ำขนาดไหนแค่จะอยู่ในขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญาอย่างยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดตามขั้นของสมาธิและขั้นปัญญาอาจารย์ไม่เคยสนใจสอนแต่บทเดียวบาทเดียวคาถาเดียวเท่านั้นนี่เพิงทราบว่าอาจารย์องค์นี้จะไม่สามารถนํนาบรรดาจิตให้ได้รับผลประโยชน์สมเจตนาที่ได้อุตส่าห์พยายามมาเพึ่งพิงอิงอาศัย กับอาจารย์องค์นั้นๆแต่ถ้าอาจารย์เป็นผู้ฉลาดแล้วต้องทราบทั้งความรู้ทั้งอัธยาศัยของบรรดาผูมาศึกษาว่ามีความรู้และนิสัยอย่างไรด้วยมีความหนักเบาในแง่ไหนตลอดถึงธรรมะจะต้องมีการศึกษาแปรลบและสนทนาซึ่งกันในกันแม้จะไม่ทราบโดยยานก็ต้องทราบโดวยวิธีสนทนาว่ามีความรู้แค่ไหนทางด้านจิตใจ และต้องปฏิบัติให้ถูกกับจลิตนิสัยของผู้มาศึกษานั้นๆผู้นี้ต้องปฏิบัติ ด, ด้วยอย่างนี้ผู้นั้นต้องใช้อิริยาบรรยา ด, ด้วยอย่างนั้นอย่างนั้นตามความรู้ความฉลาดของผู้มาศึกษาซึ่งไม่เหมือนกันนี่ถ้าเป็นเรื่องของอาจารย์ผู้ฉลาดและเข้าใจในอัตธรรมทั้งรู้ความลึกตื้นแห่งธรรมมาแล้ว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 ก็ต้องทำให้ตรงกับเรื่องของโรคเพื่อให้หายทั้งนั้นโรคที่ควรรับทานยาก็ต้องรับทานโรคที่ควรฉีดก็ต้องฉีดโรคที่ควรผ่าตัดมากน้อยก็ต้องทำตามความหนักเบาของโรคและสมมติฐานของโรคโรคเป็นอยู่ที่ตรงไหนควรจะทำอย่างไรน้าแพทย์ต้องทราบโดยตลอดไม่เช่นนั้นจะรักษานลข้ายไปไม่ได้ เรื่องนี้เราลองไปถามดูตามโรงพยาบาลและสถานคีนิตต่างๆว่าเป็นอย่างไรบ้างพอเราผ่านเข้าไปก็จะทราบได้ว่าวิธีการของนายแพทย์ปฏิบัติต่อคนไข้นั้นๆไม่จะไม่เหมือนกันปฏิบัติต่อคนไข้คนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นอย่าง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 ให้เริญรุ่งเรืองได้แล้วใจต้องเป็นไปตามแนวทางอันเดียวกันกับนายแพทย์ผู้รักษาคนไข้โดยไม่ต้องสงสัยธรรมะแปดหมื่นสี่พันก็ธรรมะขันทั้งนี้ล้วนแต่เกิดจากอุบายคือความเฉลลาดของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหมอเอกรักษาโรคภายในใจของมรรลาสั์ให้หายได้ นอกจากนั้นยังกลายเป็นพลเมืองดีอีกเป็นจำนวงมากผู้ผู้ใดนำธรรมะของพระองค์ไปปฏิบัติด้วยความเชื่อความรุ่มใสตามกำลังและฐานะของตนแม้จะอยู่ในคารวะก็พอเป็นพอไปในสมบัติพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนให้คนเกียดคร้านทำงานเพื่อหาอไรายได้ทั้งนัก บ, บาวชและคารวะตามต้องควรแต่เพศของตน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 แล้วทำตัวให้เป็นอย่างนั้นต่างหาถ้าผู้สนใจใคร่ตอบพระโอวาทแล้วอย่างน้อยต้องมีความร่วมยือในตนและครอบครัวอยู่ที่ไหนไปที่ใดยอมเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่เป็นที่เกรียดแก่มู่เพื่อนและสังคมทั่วๆไปทั้งเป็นที่เชื่อถือของประชาชนไม่มีใครระแวงสงสัยเพราะมีธรรมในใจ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 เมื่อแยกประเภทของโรคจากคำํำมากคนไข้แล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันโรคคําว่าโรคจิต ห, หมายถึงโรคกิเลสเครื่องบีบบังคับจิตใจก็แยกประเภทต่างๆได้อีกเช่นเดียวกันธรรมะของพระพุทธ เ, ทเจ้าจะมีเพียงบทเดียวบาทเดียวอย่างไรก็ไม่ทันกับโรคกิเลสอาสวะที่เป็นไปอยู่อย่างแน่นหนะาภายในใจของจัต ที่เรียกว่าโรคมืดทั้งกลางวันกลางคืนเช่นตามมองเห็นแต่ใจมองไม่เห็นหูได้ยินแต่ใจไม่รู้เรื่องจึงควรให้นามว่าโรคมืดแปดด้านโรคมืดแปดทิศแปดด้านได้แก่โรคที่เลสัญหาอาชมะเพราเวลาที่เลสได้เข้าจิงหัวใจแล้วมันมืดไปหมดสามารถฆ่าได้ทั้งคนและสัตว์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 เพราะความดันของโรคมันสูงสุดขีดไม่หลอดไม่สามารถจะวัดได้ทีนัยนแพทย์ทุกคนต้องยอมจำนนต่อโรคประเภทนี้ทางนี้อธิบายเทศยเทียงให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบถึงเรื่องมาอยู่กับครูบาอาจารย์อย่าไปสำคัญในคำพูดกากกิริยามารยาทสูงต่ำให้หยึดในหลักเหตุผลเป็นของสำคัญปุมมุ่งต่อหลักเหตุผล จะได้ทำอันล้ำคาไปไว้ครองหัวใจของต น, น, นแม้จะจากครูบาอาจารย์ไปแล้วก็พอจะพยุงตัวได้กลายเป็นผู้เจริญที่เคยิีบพระศาสนาจะเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้นำในการสั่งสอนหมู่เพื่อนและประชาชน ท, ทั่วไปเพราะความกลาดรอบคอบและยึดหลักไม่ได้ในกรางอาศัยอยู่กับท่านเรามาศึกษากับท่านยังไม่ได้อะไรเป็นคติภายในใจ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 ก็พอจะพยุงตัวให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยลำดับแต่ถ้าไม่มีอะไรติดๆิจิตใจเลยลำทางการมาศึกษาจากท่านทรงนั้นยังไม่เพียงพอก่อความต้องการของเราและยังไม่สามารถจะรักษาตัวของเราให้พ้นภัยไปได้อาจจะเกิดความเสียหายในวันหนึ่งซึ่งมีเหตุอันุนแรงมากระทบเข้าจะกลายเป็นคนเสียหายขึ้นในขณะนั้นก็ได้เพราะการจดจำมาจากท่านเป็น สิ่งที่หลงลืมได้ไง่ายไม่เหมือนสิ่งที่ติดแนบสนิทอยู่กับใจของเราเช่นมีดพระที่วางไว้นอกกายของเราเป็นอย่างหนึ่งที่เราเน็บพกไว้เป็นอย่างหนึ่งแนะที่เราถือไว้กับมือของเราเป็นอย่างหนึ่งเวลาจะนำมาช้าให้ทันท่วงทีมีดที่เราวางไว้นอกกายของเรารู้สึกช้ามากมีด ที่เน็ดอยู่ในพกเร็วเข้าหน่อยส่วนมีดที่เราถือไว้กับมือถ้าได้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นธรรมะที่เราเรียนมานั้นอย่างหนึง่งธรรมะที่ได้จากการศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์นั่นอย่างหนึง่งและธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราซึ่งเนื่องมาจาก การอบรมกับครูบาอาจารย์นี่อย่างหนึง่งธรรมะที่ได้จากการศึกษาเรียนมาโดยที่เราไม่ได้อบรมทางด้านจิตใจเลยเช่นเดียวกับมีดที่วางไว้นอกกายของเราธรรมะที่ได้จากการอบรมกับครูบาอาจารย์จำได้ว่าท่านสอนอย่างไรเป็นต้นเช่นเดียวกับมีดที่เราเน็บไว้ในพกของเราส่วนธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัต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 เป็นเหตุให้หลงหลุ่ ม, ม, มบางทีก็รักษาตัวไม่คุ้มเพราะไม่ทันกับเหตุการณ์ซึ่งอาจมาพิชเชิญหน้าเวลาใดก็ได้แต่ถ้าเป็นธรรมะที่เกิดกับใจของเราแล้วก็จะนำมาใช้ได้ทันท่วงทีนี่คือจิตใจที่มีรากฐานผู้มีหลักจิตใจจะไปไหนมาไหนกับผู้ไม่มีหลักจิตใจนั้น ต่างกันอยู่มากความวอกแวกคอนแคลนหรือความมั่นไหวต่ออารมณ์ก็ต่างกันทุกทุกที่จะพึงได้รับก็ต่างกันผู้ไม่มีธรรมะภายในใจเลยเพียงแต่ได้รับการเลือกจารกับอาจารย์เท่านั้นเวลาไปประสบอารมณ์ระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจประสารกันเข้าเท่านั้นทําให้เกิดธรรมารลมภายในใจจนหาที่ปรงลงไม่ได้ ผลคือความรุ่มร้อนก็แสดงเปลยวขึ้นมาที่หัวใจทันทีแต่ผู้มีธรรมภายในใจแล้วสามารถจะกระดิกทิศแพปลงอุบายต่างๆในทางปัญญาของตนให้หลุดพ้นจากสิ่งแวดล้ลอม น, นั้นแล้วเอาตัวรอดไปได้เพราะฉะนั้นการศึกษาจากครูบาอาจารย์เพื่ออบรมจิตใจของตนให้เป็นไปตามแนวทางที่ท่านสอนไว จนปรากฏผลขึ้นภายในใจเป็นขั้นๆ น, นับแต่ขั้นความสงบเบื้องต้นจนถึงขั้นความสงบได้ตามต้องการเป็นสิ่งสำคัญมากแม้ปัญญาก็โปรดทราบว่ามีความสำคัญเสมอกันจงพยายามฝึกค้นในโอกาสอันควรให้เป็นคู่เทียงกันไป ตัวมีความเฉลี่ยงสนาดทั้งทางด้านสมาธิและด้านปัญญาจะไปที่ไหนก็พอรักษาตัวได้การระเวียงระวังภัยภายนอกก็นับบรร น, น้อยลงภูมีธรรมเป็นหลักภายในใจมีความสะดวกต่างกันอย่างนี้แม้จะเดินทางไปจะเดินทางไปในสายเดียวกัน และกระทบเหตุการอันเป็นเรื่องเดียวกันกับผู้ไม่รับการอบรมจิตใจแต่รับความช็อกท้าต่างกันมากเพราะอารมณ์แม่ทีนิดเดียวกันเรื่องที่คราวนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดรอบครอบของผู้อบรมมาต่างกันในแง่หนักเบาแห่งธรรมและความรู้สึกเป็นลายลายไปสภ า, าวะธรรมทั่วทวไปเมื่อใจของเรายังไม่ฉลาด ย่อมกลายเป็นข้าศึกต่อเราได้และเมื่อใจฉลาดจนพอตัวแล้วย่อมเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านจะเสด็จไปที่ไหนไหนสิ่งทั้งหลายย่อมกลายเป็นคุณต่อพระองค์ท่านมิได้เป็นข้าศึกเหมือนที่เคยเป็นมาทั้งนี้เนื่องจากใจกลายเป็นคุณต่อตนเอง เพราะอำนาจของสติและปัญญาที่เคยสงสมมาเจนเผียงพอเราทุกทุกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาศึกษาโปรดได้เป็นผู้สนใจในเรื่องสติกับปัญญาประกอบองค์ความเพียรพยายามตักตวงจนเพียงพออย่าได้หรือละแม้เราจะจากท่ทานไปแต่ต้นทุนคืออุบาต่างๆที่ได้จากท่าน จะเป็นเครื่องหนุนกำลังภายในใจจนปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจแต่ผู้แม่รับการศึกษา อ, อุดมทาไปแบบภู ง, งูปราปลาผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับไม่ค่อยปรากฏนอกจากจะเป็นไปในทางเสียหายโด ย, โดยมากเช่นผู้ชอบตั้งตัวเป็นอาการเสียแต่อายุพรรษาอย่างน้อยโดยไม่มีคุณธรรมภายในใจเท่าที่ควร เรียกว่าในลักษณะขายก่อนซื้อชอบสั่งสอนคนอื่นมากกว่าสั่งสอนตัวเองเช่นี้อย่างไรก็เอาตัวไปไม่รอดที่ถูกต้องพยายามพุ่งผลอบรมตนจนเป็นที่เพียงพอแน่ดูฝึกกําลังภ า, ายในใจของตนว่าสมควรจะแนะนําสั่งสอนคนอื่นได้อย่างไรบ้างแม้การนับหมู่เพื่อนเพื่ออบรม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 ท่านมารับยมแม่ของท่านบวชและปฏิบัติอยู่กับท่านด้วยจึงเป็นโอกาสให้ท่านนมีช่องทางเข้าไปอาศัยและศึกษากับท่านเป็นจํานวนมากท่านกทราบมากําลังใจของท่านยังไม่เพียงพอที่จะแนะนํา ส, สอนหมู่เพื่อนให้มีความดำดิบและพยายามปลี่ตัวจากหมู่คณะเสมอมาเลยหาอุบาย พาโยมมนาของท่านไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนับแต่วัดวันรับโยมมนามาบวชอยู่ด้วยเป็นเวลาหกปีเมื่อรู้สึกแค้นแนวจึงพาโยมมนากลับจากบ้านสามผงจังหวัดนคร พ, พ, พนมซึ่งเป็นที่พักหนึ่งเดินทางไปโดยลำดับ แวะพักบ้านห้วยสายอําเภอคำกะอีช่วงคราวแล้วผ่านไปถึงอุบลพอทรงโยมันดาถึงบ้านแล้วจึงเป็นโอกาสให้ท่านได้ปีจากมู่คณะไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่หน้าสิบเอ็ดปีท่านเจ้าพระคุณพระธรรมเจดียวัดโพธิสมพรอุดรธานีจึงไปอาราธนาท่านจากจังหวัดเชียงใหม่มาพักจังหังสาอยู่ที่อุดร องท่านจึงได้ปรากฏแก่พี่น้องชาวอุดรบ้างน้องขายบ้างสกุลนคร บ, บ้างนันไดกราบไหว้ท่านโดยทั่วหน้ากันเวลาท่านมาพักจามรงษาอยู่อุดรสองปีและสกุลนครแปดปีนด้อุตสาหสั่งสอนพระเนละประชาชนจนสุดความสามารถตลอดมาจนถึงวันท่านมรณภาพไปด้วยความสงบเป็นที่น่าเรื่มใส อ, อย่างดี ไม่เคยปรลบถึงเรื่องกำลังพอหรือไม่พอมีก็แสดงให้เห็นแล้ว่ากำลังของท่านเพียงพอทั้งภายในใจและอุบายต่างต่างที่เป็นนำมาสั่งสอนบรรดาธิพูไปศึกษาซึ่งนำมาเป็นคติตัวอย่างอันดียิ่งแจกผู้สนใจมุ่งดำเนินตามไม่น้อยเลยฉะนั้นเราทุกท่านควรระหนักใจสนอดการและควรทาบไว้ว่า กำลังภายในใจเป็นสิ่งสําคัญมากที่เห็นง่ายๆว่าทั้งเราก็มีภาระคือการผึกตผลเพื่อแก้ไขตนเองทั้งรับภาระคือการสั่งสอนหมู่เพื่อนซึ่งต่างก็กําลังตกอยู่นในความยิ้มหวยอาหารคือธรรมะด้วยกันทั้งเราก็กําลังรับทานทั้งจะแบ่งให้มูเพื่อนรับทานถ้าของมีน้อยก็หมดไปเสียจากเรา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 เรื่องตัวเองในที่เช่นนั้นเมื่อได้ชัยชนะเป็นที่พอใจแล้วจงนำธงไทยคือวิราโคนิโรโธนิพพานังเข้าสู่วงโมกขะนะด้วยความองอาจในหลักความจริงที่ตนได้ไประจักษ์กับใจมาแจกจ่ายมูอเพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีสิ่งเป็นพิษเข้าเกือบแฝงแม้แต่น้อย ทั้งจะเป็นที่ภาคภูมิใจตนเองและทุกท่านที่เข้าไปรับการศึกษาสำหรับท่านพระอาจารย์มั่นท่านสมบูรณ์ในคุณธรรมที่กล่าวมานันจึงสามารถสั่งสอนมนาสิทธิผู้ไปศึกษาให้ได้รับผลประโยชน์เป็นจำนวนมากกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็นไปได้แต่คนมีจำนวนมากและนิสัยต่างกันจึงเป็นที่หนักใจแต่การสั่งสอนอยู่ไม่น้อย เจ้าพ่อภูมิมุ่งหวังอย่างแรงกล้าอยู่แล้วก็สอนได้ง่ายทั้งพยายามปรับปรุงแก้ไขตนเองอย่างเต็มที่จนสามารถรู้ตามเห็นตามท่านในหลักในลักษณะอาจารย์ถึงไหนลูกติตก็ถึงนั่นอย่างนี้ก็มีแต่จำนวนน้อยเราลงมาก็พยายามถ่ายทอดข้อปฏิบัติและความรู้ภายในใจ ตามพระปิปัญญาของตนยังนับว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนเน่วงพระศาสนาต่อไปแต่ที่คอยจะทำลายตัวเองโดยไม่ยอมรับเหตุผลคือข้ออัดข้อทำจากการเนียกศึกษาเลยก็มีจำนวนมากทางนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยววิสัยควรถือว่าดีกับชั่วเป็นของคู่กันประจําโลกจะไม่เป็นข้อกังวลให้หนักใจแก่ตนเองอุมายของ อาจารย์ที่มาแนะนําส อ, สอนพวกเราได้มาด้วยความฉลาดและเพียงพอวัดตัวงดูกําลังของตนเทียบกับภาระที่จะนํามาแบกขามถ้าความฉลาด ร, รอบคอบไม่เพียงพอเราอาจจะล่มจมไปตามเขาเช่นเดียวกับคนตกน้ําเราไปช่วยเขาด้วยความโง่เราอาจจะล่มจมไปกับคนตกน้ํานั้นก็ได้ ดังนั้นผู้มาอยู่กับอาจารย์มีหน้าที่จะพยายามตักตวงความเพียรให้ได้สติปัญญาเต็มความสามารถเท่านั้นแม้จะจากท่านไปต้องเข้าหาที่สังฆมิเวและสื่อต่อความเพียรเสมอไปไม่เป็นกังวลกับสินในใน่งใดๆมีต่ตนกับธรรมคือความเพียรเป็นไปอยู่ในเอียบททั้งหลายไม่ขาดว่าขาดตอน และไม่ให้เสียเวลาไปเพราะติดการเรีเมื่อมีข้อข้องใจในธรรมเกิดขึ้นพยายามมาศึกษากับท่านอย่าเดินเหินหรือทำไปตามอัตโนมัติของตนจับผิดทางอย่างน้อยก็เนินช้าอย่างมากกาทำตัวให้เสียเพราะความไม่เอียดแทงธรรมไม่สิ้นจุดอยู่กับท่านผู้ใดโปรดจำไว้อย่างนี้ เราไม่ต้องไปสนใจกับคำพูดจากียางระยากซึ่งเห็นว่าไม่ผิดจากหลักและทำนนวินัยแน้วจงถือหลักเหตุผลเป็นของสำคัญแม้เรามาศึกษาเพื่อธรรมะย่านำโลกเข้ามาด้วยการนำโลกเข้ามาด้วยนั้นเป็นเรื่องให้เกิดความกระทบกระเทือนภายในใจของตนเองนี่อย่างน้อยต้องกระเทือนตนเองอย่างมากก็กระเทือนหมู่เพื่อนด้วยกัน คำว่านำโลกเข้ามาพูดง่ายๆก็ว่านำทิฏฐิมาณนะันั่นเองถ้านำธรรมะเข้ามาต้องเป็นผู้มุ่งต่อเหตุผลเห็นก็ดีได้ยินก็ดีต้องน้อมเข้าเทียบกำลักเหตุผลเสมอไปถ้าถูกต้องกำลักเหตุผลแล้วชื่อว่าเป็นธรรมรีบยึดมาเป็นเครื่องสอนใจตนทันทีเมื่อเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้แล้ว เรื่องศีลไม่ต้องหวาเพราะเคยรักษาทุกวันด้วยความใข่ต่อศีลข้างตนศีลต้องมีความบริสุทธิ์เสมอไปสมาธิเมื่อได้รับการกดขี่บังคับด้วยสติปัญญาอยู่เสมอแล้วอย่างไรต้องเป็นไปเพื่อความสงบที่สำคัญคือเรื่องของสติจงตั้งไว้ตลอดเวลาและเรื่องของปัญญาก็ต้องใข่ควรเมื่อสติจับไว้ ปัญญาต้องพิจารณาคลี่คลายหรือตัดฟันอย่างนี้เสมอไปความสงบจะต้องเป็นไปในจิตโดยไม่ต้องสงสัยท่าใจไม่มีความสงบเลยคุณค่าของปรศาศสนาไม่ทราบว่ามีแค่ไหนคาดไปอย่างนั้นเองต่อต่อไปความขี้เกียจขี้คลานเข้ามานั่งอยู่บนที่ใสคือหัวใจใช่แล้วความเพียรก็ล้มละลายศีลก็กลายเป็นศูนย์ไปเสีย จะมาทิ่ก็กลายเป็นความฟุ้งไม่มีความสงบได้และปัญญาเลยกลายเป็นความโง่เขลาไปโดยไม่รู้สึกตัวถ้าความเกยดคราสได้เหยียบย่ำที่ตรงไหนแล้วพึ่งทราบว่าที่นั้นต้องแหลกละลายเช่นเดียวกับไฟถ้าลงได้ไหมหรือเผาอะไรแล้วต้องแหลกละเอียดไปหมดแม้แต่เหล็กแข็งก็ยังละลายไปได้เพราะอำนาจของไฟเรื่องของ ความที่เอียยที่คร้านเหมือนกันเช่นนั้นเพื่อฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจว่าพระศาสนามีความลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหนขอให้ทำตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านสอนอย่างไรให้กำหนดจับตัวเหตุนั้นไว้แล้วนำไปปฏิบัติ ด, ด้วยความขายันหมั่นเพียรมีอิทธิบาทสี่เป็นเครื่องพยุงความเพียรทุกประเภทผลท่านทั้งหลายจะได้รับเอง เช่นให้ตั้งสติและบังคับจิตใจของตนอยู่กับความเพีย่ยนทิจารณาในอาการทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของเหล่านี้ทันวัามีอาการสามสิบสองผมขนเนี้ฟันหนังเป็นต้นท mm. ิจารณาอยู่ในอาการเหล่านี้ด้วยสติเป็นเครื่องบังคับอย่างไรสมาธิต้องปรากฏขึ้นมาคาว่าสมาธิคือความตั้งมั่นของใจนั่นเอง ใจเริ่มสงบก็เริ่มจะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจะเป็นชั้นใดก็าตามนั่นแลผลได้เริ่มปรากฏขึ้นแล้วว่าคุณค่าแห่งพระาศาสนามีแค่ไหนและคุณค่าแห่งความสงบก็ปรากฏให้เราทราบประจักษ์กับใจแล้วในขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นโทษแห่งความฟุ้งเฟอ้เอเหื่อมของใจเึรื่งคิดตรุงอยู่ตลอดเวลาไม่มียับยั้ง เช่นเดียวกับโครงจักรที่เขาเปิดไว้ในโรงงานต่างๆไม่มีเวลาวันปิดฉะนั้นใจเริ่มสงบก็เริ่มเป็นตุกถ้าเดินทางก็เริ่มจะถึงตวมไม้และและ่าน้ำเพื่อการพักอาบดื่มสบายหายเหนื่อยในระหว่างทางแล้วต่อไปเร่งฝึกค้นด้วยปัญญาให้เป็นคู่เคียงกันไปคนแล้วค น, คนเนเ่าเหมือนเขาขุดดินหรือคลากนา ราดกลับไปกลับมาจนมูลไถ่มูลคราดแหลกละเอียดแนวจะเพาะปลูกหรือปักดำก็ควรเท่ากล้าหรือจริงเพาะปลูกก็งอกงามดีใครชอบปัญญาไข้ครวนกลับไปกลับมาไม่หยุดยัง้งผู้นั้นแลใจจะรับปุ๋ยคือความเลือกินขึ้นภายในใจทั้งปัญญาก็ไข้ครวนอยู่ตลอดเวลา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 เมื่อสรุปความลงแล้วก็คือเงินนั่นเองนี่ผู้เริ่มจะเป็นเศรษฐีภายในใจคือเศรษฐีธรรมะต้องเป็นผู้เพืิอเชิญในความเปลี่ยนของตนดิเทนนั้นปรีกตัวเข้าสู่ที่สงัดเท่าไหร่ยิ่งเพอปรีออกจากหมูงคณะและฝูงชนไปเท่าไหร่ยิ่งเพลอดก็ตามอิ่มก็ตาม เรื่องของใจยิ่งเพลินต่อการตั้งสติเพลินต่อการค้นคิดด้วยปัญญาเพลินต่อการแก้ไขจิตใจของตนโดยลำดับวันหนึ่งคล้ายกับมีเพียงสี่ห้าชั่วโมงคืนหนึ่งคล้ายกับมีเพียงสามสี่ชั่วโมงเพราะจิตไม่ได้คิดไปถึงเริ่มเวลานาฬิกาที่ไหน เพลินดูแต่ความเกิดความดับของสภาวธรรมที่มีอยู่รอบด้านและประกาศตนตามหลักความจริงอยู่ตลอดเวลาด้วยสติปัญญาซึ่งเคยอบรมมาจนเพียงพอแล้วมีจิตมาถึงขั้นนี้แล้วต้องเพลินที่แรกก็ต้องถูถยกันไปกดขี่บังคับกันไปเช่นเดียวกับเขาบังคับผูต้ตองหาที่มีโทษหนักนั่นเมื่อได้จังหวะ และเห็นความสามารถของสติปัญญาแล้วยิ่งเพลิดนั่งอยู่ก็เพลินนอนอยู่ก็เพลินเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นตื่นขึ้นก็จับสติกับปัญญาเข้าประกอบกับองค์แห่งความเพลี่ยนตันทีไม่เอื่อยอายเนินานให้เสียเวลามีสติปัญญาประจำตนทุกอาการที่เคลื่อนไหวจนสามารถแก้กิเลสได้โดยสิ้นเชิงพระอานาจของความเปียนไม่ลดละใจที่ เพออยู่ได้อำนาจเธออยู่ใต้อำนาจแห่งการบัญชาของกิเลสมานานก็กลายเป็นอิสระขึ้นมาและรู้เรื่องของตัวเองโดยตลอดไม่มีลีนับกิเลสทุกประเภทที่เคยตั้งบ้านเรือนอยู่บนหัวใจมีอวิชชาผู้เรืองอำนาจในไใจพบเป็นผู้ครองวัฏจักร ก็ได้ถูกทาลายลงด้วยมัรขยานอันเป็นดาบทันสมัยใจได้กลาเป็นวิปัสสขึ้นมาในขณะนั้นความอัศจรรย์ซึ่งปรากฏขึ้นจากแดนแห่งวิมุตตได้แผ่กระจายไปทั่วสันนาพพานร่างกายและจิตใจโดยตลอดในขณะวิชาวิมุตต์ขึ้นเรืองอำนาจอย่างเป็นธรรมทาหน้าที่ปลิดรลอยสภาวะธรรมที่ถูกอวิชาบังคับจองจาไว้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 สุขข้างวตตะสุขข้างวตตะก็ได้แต่ให้กล่าวออกมาทางวาจาต่อบุคคลหรือสถานที่ต่างๆเขาจะหาว่าบ้าดังนั้นนักบราศท่านจึงไม่พูดพร่มในที่ทั่วๆไปเพราะท่านฉลาดในสถานที่บุคคลและกาลเวลาที่จะควรพูดหนักเบามากน้อยทั้งท่านกลัวโรคบ้าน้ําลายพุ่งไปพุ่งมาถึง กับเขาหาว่าบ้านน้ำลายก็มีมากราเราอยากให้เข้ากับบุคคลที่ถูกต้องหานี้เพราะเราศึกษาและปฏิบัติเพื่อความฉลาดต้องฉลาดทั้งภายในฉลาดทั้งภายนอกและแก้ได้ทั้งภายในแก้ได้ทั้งภายนอกจะเป็นสุขโตไม่เป็นขนขวางโลกไปที่ไหนไม่มีภยัยไม่มีเวรคิดไปไหนก็ไม่ติดไม่คลอง โลกบิทูรู้ชัดทั้งโลกในคือเรื่องของตนเอกทั้งโลกนอกคือสภาวะทั่วตัวทั่วๆ่วไปซึ่งจะควรปฏิบัติต่อเขาโดยถูกต้องนี่คือผลแห่งการปฏิบัติถ้าลงเนตตั้งหน้าธรรมด้วยความขยันหมั่นเพียรและสนใจจริงๆแล้วผลผลต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนท่านนะักปฏิบัติไม่ต้องสงสัยขออย่างเดียวคืออยา่าต้องการสุกวันถามก็แล้วกัน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 มีอยู่ในบุคคลและสถ า, านที่บ้านเมืองใดเขาเหล่านั้นต้องเจริญรุ่งเรืองโดยลำดับจงน ำ, นำทำเหล่านี้ไปสร้างความเจริญในตนเองจนปรากฏผลตามที่ได้อธิบายมาแล้วและอย่าลืมตัวไปว่าความจิตครั้งเป็นคุณต่อโลกและต่อธรรมวันนี้ได้อธิบายธรรมะแต่ต้น คือการอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นลําดับมาจนถึงโลกวิทูแดแนแห่งความเปิดเผยทั้งภายในใจของตนกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิน ญ, ญาทั้งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสและธรรมาลุ่มทั่วทั้งรูปกระทที่ยังเหลืออยู่คือขั น, นร้วนไม่มีอะไรเข้าเรื่อแงแขงเคราะหกันไปวันหนึ่งวันหนึ่ง พอถึงการของเขาจะแตกก็แตกไปเมื่อยังอยู่ก็อยู่ไปไม่มีอารมณ์ค้องใจเพราะอนุคตของขันก็รู้เท่าอดีตของขันก็รู้ทันปัจจุบันของขันก็ไม่ยึดฉะนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายซึ่งเราเองก็ให้นามเราว่าเป็นนักปฏิบัติคนอื่นก็ยังจะให้นามเราว่าเป็นนักปฏิบัติ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 ธรรมะโลกาวิถูซึ่งเป็นแดนแห่งเราเมุ่อหวังเราทั้งหลายจะหมดปัญหากับพบกับชาติความแก่เจ็บตายอันเป็นตัวผลเกิดมาจากอวิชชาไม่มีอันใดเหลือในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ก็ให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงได้ถึงโลกาวิถูอันเป็นแดนแห่งความเกิดเผยทุ ก, ท, กทุกท่านโดยนพลันเธอ